ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติกสักรางเอวะเมวายิโตทินังเปตานังอุปากัปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระสสยะถา ภาโรขวินาสตุมาเตภวาตตานตารโยสุกง กายขกมภาวะทิวานตนาสินลินสานิจางวุฒาปัจายนาจินอนจัตตารวนธรร ม, มาวาทธานทีอายุวันโอสุขาง อา a ังกตุเอปัสนนานังอากังธรมวิชาณตังอาเกหมดเถปัสนนานังดกคีเนยอนุตรเรอาเกธรมเมปัสนานังวิรังคุปสเมสุเกอาสรเถปัสนานังบุญญาเขตเตอนุตะเร อากาศสมงิงนานังนดาดังอากางปุญญงปวัตเดียนอากางอายุจวันโนจายยาโสกิติสุขังบลังอากาศดาตาิทธาวีอากาศธมรมสมาหิโต เทวคูโตมนุสวาคัปโตปโมดตีธิพวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามมา Buddha นุภาเวนะสนดาโสตีพวันทุเดหาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สามธัมมานุภาเวนัสดาโสตีพระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตูซาะเดวตาสามัสัสงภานุภาเวนัสดาโสตีพระวันตุเต